นอบน้อมแด่พระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอถวายความเคารพหลวงพ่อผู้เป็นประธานข้โอากาศเพื่อนสาธมิกภิสุสสำเนเณรทุกรูปเจริญพรญาติโยมนักปฏิบัติธรรมทุกคนนั่งฟังทมสบายวันนี้ก็เป็นวัน ที่สองของงานนะที่สองที่สามแล้วสามแล้วมันน้งเนาะน่าเริ่มมาวันที่สิบใช่ไหมสิบสิบเอ็ดวันนี้สิบสองใช่ไหมสามวันนี้แหละเพราะว่าวันที่สิบเป็นวันรวมวันที่สิบเอ็ดเริ่มปฏิบัตินะก็ปฏิบัติเต็มเต็มก็วันที่สิบเอ็ดสิบสอง นะตอนนี้ก็ช่วงเย็นก็ได้สอบอารมณนะ์สอบถามอารมณ์ปฏิบัติทุกคนนะเนาะกลุ่มนนนะทุกคนหลวงพ่อก็สอบถามฝั่งนี้กนะ็มีทั้งเก่าทั้งใหม่นะสี่กลุ่มก็อย่างที่พูดให้ฟัง นะเรื่องที่เราสอบอารมณ์กันนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องนะมันก็เลยรู้บ้างไม่รู้บ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะ ทำไมถึงไม่ต่อเนื่องเล่ะยะโจมจบคอร์สแล้วพากันไปทําอะไรอยู่บ้านไม่ไม่ได้ทําแบบนี้เหรออยู่บ้านก็น่าจะมีการเคลื่อนไหวเหมือนกันเลนะเรื่องบากในการทำมาหากินรับผิดชอบครอบครัวล่ะมีเวลาเดินจงกรมไหมที่บ้านมีเวลานั่งปฏิบัติแบบนี้ไหมคนเก่านะ ถ้ามีเวลาทำก็น่าจะมีเวลารู้สึกตัวเหมือนกันนะเนาะคือเราต้องกระตุ้นตัวเองพยายามสร้างศรัทธาเชื่อมั่นนะให้กับตัวเองนะถ้าจะรอแต่ให้งงพ่ออาจารย์ช่วยกระตุ้นเนี่ย บางทีเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเนาะพระก็อยู่วัดโยมก็อยู่บ้านจะเปิด youtube ดูบางทีมันก็อืไม่เหมือนกับตัวเป็นๆ น, นะเนาะพวกเป็นเป็นยังถามได้นะยังมาเจอหน้ากันยังถามได้เวลามันติดอารมณ์ห่วงฟุ้งซ่านจะแก้ยังไงแต่ถ้าเกิดเราไปดูใน youtube เนี่ยมันถามัท่านก็ไม่ตอบ คือเราต้องต้องต้องเพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นศรัทธาในที่นี้คือศรัทธาในตัวเองนะญาโยมไม่ใช่ศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาพระเจ้าพระสงฆ์พระพธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในตัวเรานั่นแหละเชื่อมั่นในตัวเองนในหลักของการกระทำนะ ในหลื่ของกรรมการกระทากรร ม, มสัทธาเชื่อในการกระทาของตัวเองนะว่าเราทำดีมันก็ต้องดีทำความรู้สึกตัวมันก็ต้องรู้สึกนะเชื่อในการกระทาของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องมีผลละ่ะวิปากสาัทธา เชื่อในผลของการกระทำของตัวเองถ้าเราทำทำดีมันก็ต้องได้ดีนะทำชั่วก็ต้องได้ชั่วนี่คือเรื่องของผลของกรรมอันแรกก็เชื่อเชื่อกรรมไม่เชื่อไม่อ่อนวอนนะส่วนมากเราทำบุญเราบริจาคเราก็จะขอพรนะให้พระให้พรใช่ไหม ะถ้าทําบุญแล้วไม่ได้พรเมันไม่ได้ทำํำใช่ไหมมีใครไม่ถวายอาหารพระหรือว่าถวายจตุปัจจัยทําบุญสังฆทานแล้วไม่ไม่รับพรสมัยญาติโยมก็ทําไม่พาให้ไม่พรเนี่ยไม่กลับบ้านใช่ไหมคือเราคือเราหวังว่ามันจะได้อะไรตอบแทนสักอย่างหนึ่งนะอย่างน้อยก็ทําให้เราสบายใจนะ เราไม่เชื่อว่าเราทําดีมันดีแล้วต้องให้พระให้พรต้องให้พระรับรองใช่ไหมถ้าพระไม่รับรองเนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันทําบุญแล้วมันจะได้บุญไหมเอาจริงมันมันได้ตั้งแต่เราคิดที่จะทําอยู่แล้วนะคือถ้าใจเรามันดีนะ่ะเราเจตนามันอยู่ที่เจตนากรรมการกระทํานะ การเจตนานเป็นกรรมนะคือเราเจตนาดีนะมันมันดีเราตั้งใจจะช่วยเหลือตั้งใจจะไปวัดไปทําบุญหรือตั้งใจจะมาปฏิบัตินะ่ะมันดีอยู่แล้วล่ะไม่ต้องให้พระรับรองไม่ต้องให้พระอ น, นั้นก็ได้นะเราเราได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเราเชื่อในเรื่องของกรรมเนี่ยเราเราจะเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำํำนะแล้วก็เชื่อเรื่องผลของกรรมว่าทําดีมันก็ต้องดีทําชั่วก็ต้องชัว่ว อันที่สามก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ต้องตกเป็นของเราผลที่เกิดจากการกระทาก็ก็ต้องเป็นคนก็ต้องเป็นเราเน่แหละเป็นผู้ได้รับผลนะคือเรามาปฏิบัติเราก็ต้องรู้ต้องเห็นได้เข้าใจได้ได้ด้วยตัวเองนะไม่ไม่ใช่ว่าอ่า เราปฏิบัติแล้วจะให้คนอื่นเข้าใจแล้วก็เป็นไปไม่ได้เราทำบุญเราก็เราตัวเรานะั้นได้บุญนะส่วนการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลนะถ้าเขาไม่มารับรู้ไม่มาอนุโมทนาเนะี่ยเขาก็ไม่ได้นะนะผลผลบุญผลกรรมผลการกระทํานี่นะ ถ้าถ้าเราความบนอุทิศให้คนตายให้ญาติพี่น้องเนี่ยถ้าเกิดเขาไปเกิดในภพภูมิที่ไม่สามารถที่จะรับส่วนบุญสังกุลไดนะ้บุญที่เราทำเนี่ยมันก็ตกตกมาสู่เรานั่นแหละเราก็จะเป็นคนได้รับนะบุญที่เราทำอันนี้คือเหมือนการเรามาปฏิบัติกรรมฐานนะมาเจริญสติเนี่ยเรามาทำความรู้สึกตัวเราก็จะได้ผล จากการกระทําด้วยตัวเราเองนะคนที่ไม่มาก็ไม่ได้นะโดยเฉพาะเรื่องภาวานาเนี่ยตัวใครตัวมันนะทำแทนคันไม่ได้นะเราก็ต้องอยากให้เขารู้มันเราเราก็ต้องเอาเขามาปฏิบัติมันเรานะมันไม่เหมือนกับการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลมันไม่มันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับอนโมทนาบุญ นอนุโมทนาบุญนี่มันมันไม่รู้สึกตัวนะโยมอย่างญาติพี่น้องลูกหลานเห็นเรามาทำเนี่ยเขายกมือสาทุ ก, กับเราไนหะแต่เขาไม่รู้สึกตัวมันเราเนะเขาไม่มีสติมันเรานะแต่ว่าเรามาทำเราจะได้สติได้ปัญญาแต่คนที่เขาอนุโมทนากับเราเนี่ยเขาก็จะไดะ้ได้บุญ อีกอย่างหนึ่งนะคือได้ได้ความสบายใจเห็นเราทำดีนะอนุโมทนาบุญในการทำความดีของเราเขาก็พอยินดีกับเราไปด้วยนะแล้วก็ความศรัทธาอันที่สี่คือศรัทธาในเชื่อมั่นในในการตัดสู้ของพระพุทธเจ้านะ เชื่อมั่นว่าเราจะต้องสามารถที่จะตัดสู้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าถ้าโยไม่ไม่มีความเชื่อมัน่นอันสุดท้ายเนี่ยถ้าปฏิปฏิบัติไปมันก็จะไม่มีกำลังใจให้ทำแล้วมันจะมันจะหมดทุกหมดปัญหาหมดกิเลสไหมมันจะตัดสู้เหมือนพุทธเจ้าไหมนายกมือเนถ้าโยไม่มีความเชื่อมัน่นว่ามันมันจะรู้เนี่ย คือมันมันจะไม่มีกำลังใจในการทำมันก็ไม่อยากจะทำต่อแต่เรามีความเชื่อมันว่ามันมันต้องรู้มันต้องเข้าใจเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้ารู้จะต้องบรรลุต้องเข้าใจเหมือนลูปบุเทียนเหมือนหลวงพ่อครูบาอาจารย์ถ้ามีความเชื่อมันอย่างนั้นเราก็จะลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะที่เราทำไม่ต่อเนื่องเพราะเราไปเห็นอย่างอื่นสาคัญกว่านะ เราไปเห็นการทำมหากินการใช้ชีวิตทางโลกในการบริหารจัดการชีวิตของเราสำคัญกว่าไปเห็นเรื่องหาเงินหาทองหาความสุขในชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานไปให้ความสำคัญเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องนี้ มันก็เลยไม่ไม่ได้ต่อเนื่องเลถ้าโยมคิดว่าอันนี้เป็นเมนหลักไหมเรื่องหลักของเราคือเรื่องอปฏิบัติธรรมทาชีวิตให้มันพ้นทุกข์ให้มันไม่มีทุกขนะ์เนี่ยเรื่องอื่นก็จะกลายเป็นเรื่องรองไปหมดเลยนะเรามีลูกมีสามีมีภรรยาก็เพียงเพื่อแค่อาศัยกันชั่วคราวเฉยๆนะเราไม่ได้ไปให้ความสําคัญ เท่ากับการปฏิบัติเท่ากับการทําจิตใจให้เป็นอิสระให้พ้นทุกข์เนี่ยนะถ้าเรามีความศรัทธานในเรื่องเนี่ยเกิดมาชาตินี้เนะี่ยมันต้องเป็นชาติสุดท้ายไม่มีความปรารถนาที่จะไปหวังที่จะเกิดอีกบางคนไทยส่วนมากเนี่ยทําบุญอยากจะเกิดอีกชาติหน้าเกิดเป็นคนสวยคนรวยใช่ไหม ปรารถนาทำบุญแล้วก็ตั้งความหวังไว้อย่างไงใช่เกิดมาชาติหน้าก็ขอให้มันดีกว่านี้หน่อยอย่างงี้นะมีความปรารถนาแบบนั้นมีใครไหมที่ว่าปรารถนาว่าอยากได้เกิดอีกเลยอยากได้เจอกันอีกเลยนะดนอะโดยเฉพาะเนื้อคู่เราเห็นไหมสามีภรรยากันอย่าอธิษฐานว่าเกิดชาติหน้ า, อาขอให้เราได้เจอกันทุกภพทุกชาตินะนะโอ้ถ้าเกิดเจอกันอีกก็มาทุกกันอีกใช่ไหม อือฉะ้ต้องอธิษฐานใหม่นะถ้าใครอธิษฐานที่ว่าขอให้เราเจอกันทุกภพทุกชาตินี่ต้องอธิษฐานใหม่ว่าจะชาตินหน้าจะเจอกันอีกเลยขอเจอกันแค่ชาตินี้ก็พอแล้วนะแล้วก็จะเราก็จะได้ตัดภพตัดชาติตัดกรรมตัดเวรต่อกันอันะนี้ในเรื่องของไอ้กรรมเรื่องของศรัทธานะศรัทธาความเชื่อมั่นจำได้ไหมสี่อย่างนะกรรมมาศรัทธา วิปากศสัท ธ, ธากรรมะอะไสกสัท ธ, ธาอีกอย่างนึ่งนะอันสุดท้ายคือ โ, ป โ, ปโปพธิฆาตศัท ธ, ธาศสัท ธ, ธาส่อย่างเชื่อในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าและเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะต้องตัดสรู้ได้เหมือนพระพุทธเจ้า แค่สี่อย่างแค่นี้ทีนี้ในเรื่องความต่อเนื่องเนี่ยทำไมทาไมเราถึงถึงขี้เกียจอ่ะถึงไม่อยากถึงไม่อยากทำนะนะตรงนี้มันมันปัญหาใหญ่เลยนะนะคือรู้ว่ามันดีแต่ไม่ไม่ยอมทำเลยเนาะถ้ารู้ว่ามันถ้าเราคิดว่ามันดีแล้ว น่าจะน่าจะใส่ใจน่าจะทําให้มันติดต่อกันนะนะแต่ว่าเพราะเพราะว่าเราไม่รู้มันมีแรงดึงดูดอย่างอื่นนะมาย่อเยือนออกไปนะเราก็อยากจะอยากจะให้มันต่อเนื่องอ่ะแต่มันไม่ต่อเนื่องมันมีเรื่องอดึงเราออกไปอยู่เรื่อยอะ่นะแม้แต่อยู่ในวัดนี่ก็เหมือนกันนะอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่นะอืม ตั้งแ ต, แต่ตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาทำโยคะออกกำลังกายจนถึงเดี๋ยวนี้สิบกว่าชั่วโมงแล้วนะถามว่าเรารู้สึกตัวต่อเนื่องไหมตั้งแต่เช้ามาถึงเดี๋ยวนี้ขาดเปนช่วงขาดปช่วง <laughs> มันขาดช่วงไหนเ <laughs> ยออืม ช่วงไหนที่มันขาดเราก็ต้องใส่ใจต้องเสริมคือความเคยชินของเรานะวันนี้ตัดช่วงที่เราไป อ, อาบน้ำช่วงที่เรากินข้าวอย่างเงี้ยช่วงที่เราพักผ่อนนะมันมันจะขาดช่วงนั้นใช่ไหมตอนในทางจงกรมในที่ปฏิบัติเนี่ยมันไม่มันไม่นั้นเท่าไหร่หรอกอ ม, มันก็รู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกรัวบ้างก็ธรรมดานะ ในทางจงกรมในที่ปฏิบัติแต่พอเลิกปฏิบัติแล้วเนี่ยปล่อยทิ้งเลยนลืมตัวหมดเล ย, เยไม่ไม่ค่อยรู้ตัวอนั่งกินน้ปะนะก็คุยกันนั่งกินข้าวว่าอรส์อร่อยนะไม่ค่อยรู้ตัวนะเฉะนั้นเราต้องใส่ใจช่วงอช่วงในกิจกรรมนอกรูปแบบอาตมาก็ เข้าใจผิดนะเหมือนญาติโยมแหละมีใครเข้าใจเหมือนตอมาว่าปฏิบัติธรรมต่อเนื่องมันต้องทํายกมือเดินจงกรมเท่านั้นนะ่ะอะตมาเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคือตอนตอนเลิกทำแล้วกไ็ไม่ได้สนใจแล้นะ mm hmm. ก็ก็ก็ทําให้เสียเวลานะก็คิดว่าจะต้องว่างซะก่อนค่อยทําค่อยปฏิบัตินะตตอตมาก็ พอเลิกปฏิบัติเลิกจากคอรดแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วไม่ไม่ได้ปฏิบัติละปฏิบัติบ้บางตอนเช้าตอนเย็นวันละสามสินาทีวันละชั่วโมงแค่ น, นั้นแหลนนะะตั้งใจแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้ไปงานปฏิบัติทำยอืมเป็นไมืมจะค่อยไปทําในงานปฏิบัตินู่นแหละอือยู่ที่วัดที่บ้านก็ไม่ต้องไม่ได้สนใจเราไปทําอย่างอื่นอนนะแต่มาเอาคิดอย่างนั้นนะ่ะอืม แต่ว่ามันมันก็เลยไม่เข้าใจแลวช้าไปสองสามปนะีคือรู้จักวิธีปฏิบัตริรู้ว่ามันดีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ทำต่อเนื่องทีนี้ก็เลยตั้งใจตั้งใจจะทำต่อเนื่องนะแบบแบบเก็บอารมเข้มนะที่จะมาอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเพราะตอนปฏิบัติเข้มตอนนั้นนะ่นะเกือบ ปีสองพันห้ารอยสี่สิบสามนะสิบกว่าปีแล้วนะปฏิบัติเข้มครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้มาตนถึงด้วยเนี่ยนะปฏิบัติสามสิบวันแต่ต่อเนื่องนะแบบต่อเนื่อ ง, นะแบบ ต, อองตั้งแต่ตื่นนอนเลยตั้งแต่ตื่นนอนรู้สึกปุ๊บก็กำหนดรู้ต้องกำหนดรู้ต้องตั้งใจรู้ไม่งั้นมันไม่รู้นะ ขนาดตั้งใจรู้มันยังไม่รู้เลยมันต้องตั้งใจรู้ตื่นขึ้นมาก็กำหนดการเคลื่อนไหวพับผ้า่มลุกขึ้นเก็บที่นอนเก็บมุง้งเก็บกดเดินไปห้องน้ำรู้สึกเล่นๆไปทำทุรวส่วนตัวถ่ายนักถ่ายเบาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็มาเดินจงกรมปฏนะิบัติจนถึงแปดโมงไปรับอาหารนะตื่นทีสามนะตื่นทีสาม ทำธุระอะไรเสร็จก็ไปตีสามกว่าตีสี่ก็ปฏิบัติจนถึงแปดโมงเช้านะไปรับอาหารก็รู้สึกตัวไปเรื่อยเล่นๆไปเรื่อยตักอาหารก็รู้สึกไม่ได้พูดได้คุยกับใครนะ<อ>เข้าใจคําว่าเก็บอารมณ์ไหมเก็บอารมณ์ไม่ใช่ว่าไอเก็บกดเก็บไปนั้นนะั่นนะ คือเก็บอารมณ์คือปฏิบัติให้ต่อเนื่องแค่นั้นเองนะไม่ไม่ใช่มันเป็นศัพทบ เ, เป็นคําพูดเฉยๆหรอกคํา mm. คว่าเก็บอารมณ์มันคือว่าเราอยู่คนเดียวทําคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวอ mm. ไม่พูดไม่คุยกับใครอ mm. ไม่มีหนังสือไม่มีโทรศัพท์ไม่ไปไหว้พระไม่ไปสวดมนต์ mm. ปฏิบัติล้วนๆเลยนะ mm. ยกมือเดินจงกรม แต่ว่ามันก็มีลองรูปแบบบ้างแต่มันก็น้อยเพราะว่าเราเราไม่ได้ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไม่ได้ไปไหว้พระทําวัดสวดมนต์ก็มีนอกรูปแบบก็จะมีอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวล้างบาตรฉนันน้นปณะนะแค่นั้นแหละนอกรูปแบบแต่ว่าธรรมาก็ใส่ใจสนใจตั้งใจในรองรูปแบบด้วยนะก็ทำต่อเนื่องกันนะ แต่ว่ามันมันมันทำด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจนะเพราะว่ามันตั้งความหวังเดิมพันไว้สูงนะถ้าไม่รู้ก็จะเลิกทำคือจะลาสิกขาแล้วก็ไปทำอย่างอื่นคือเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะไม่เข้าใจก็เลิกปฏิบัติแล้วครับไปหาทำงาน ไปแต่งงานมีครอบมีครัวมีลูกเหมือนญาติโยมคงจะมีความสุขนะอมีความสุขไหโยมแต่งงานมีลูกมีครอบครัวเนี่ยนะนะแต่มาก็คิดนะก็คิดมีคงจะมีความสุขนะถ้าไม่มีความสุขโยมก็คงจะมาบวชหมดแล้วแหละแต่มาโยมก็คงจะมีความสุขอ่ะใช่ไมตามตามโลกอันนะความสุขทางโลกมันต้องมีความสุขเลย ไม่ความสุขทางโลกมันต้องมีไม่งั้นเราเราก็คงจะมาบวชหมดแล้วนะเนี่ยมันก็มีความสุขแบบธรรมชาติมอัตภาพอนะน ะ, นะนนความความสุขแบบโลกียสุขไม่ใช่ว่าแบบโลกุตละสุขนะความสุขมันไม่ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะพระทางธรรมนะไม่ใช่เฉพาะมีตะนิพานใช่ไหมชีวิตครอบครัวถ้าเราไม่มีความสุขเราก็อยู่ไม่ได้หรอกถ้าแต่งงานแล้วเป็นทุกข์เรุหนี้มาบวชหมดแล้วแหละ มันก็ม no ีความสุขบ้างนะถ้เป็นธรรมชาติธรรมดานะก็คือถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราจะคิดเหมือนกันนะนะอัตมาก็คิดเหมือนโยมนั่นแหละนะตอนที่ไม่เข้าใจนะคิดว่าเรายังอายุยังน้อยยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะบวชไปก็ถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะนะมันก็คงจะอยู่ยากอยู่นะ ถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็ต้องมีความรู้ตอนนั้นมีสองทางเลือกเนาะถ้าไม่ไปเรียนในวิชาการไม่ไปเรียนบาลีไม่ไปเรียนในปริยาก็ต้องปฏิบัติให้เข้าใจ ม, มีทางเลือกอยู่ตอนนั้นที่ที่ที่ไปเก็บอารมณ์เข้มเพราะความคิดสองอย่างนี้แหละเฮ้ <c oughs> ถ้าเราอยู่ต่อไปเนี่ยเราจะได้เป็นอะไรไม่เนี่ยจะเป็นเจ้ า, าวาดได้เป็นพระครูไหมเนี่ย จะได้เป็นเจ้าคุณกับเขาไหมเนี่ยถ้าอยู่ต่อไปนะคือต้องมีความรู้นะถึงจะได้เป็นใช่ไหมถ้าไม่ได้เป็นมหาเนี่ยก็ไม่ให้เป็นในเจ้าคุณไม่ได้เป็นพระครูนั่นเนี่ยต้องไปเรียนใช่ไหมตอนอายุไอ้บวชได้สองสามพรรษานี่แหละเรียนจบนักธรรมเอกแล้วเรียนจบนักธรรมธรรมเอกแล้วแต่ยังไม่เข้าใจธรรมะก็มีสองสองทางเลือกว่าจะอยู่แบบออยู่เป็นพระครูเจ้าคุณไหมหรือว่าจะอยู่แบบ พระกรรมฐานอยู่แบบเข้าใจอยู่แบบไม่ทุกข์กันน ะ, นะแล้วไอความคิดอีกอย่างหนึ่งว่าเราก็คือยังไม่มีครอบครัว น, น่าจะมีออกไปแต่งงานมีลกูกมีหลานสร้างโลกซะก่อนให้มันอายุให้มันแก่ให้หมดความต้องการทางโลกให้มาบวชอย่างงี้นะคือมันมีสองมันมีมัมีความคิดนั่นคืความคิดเฉยๆแล้ว ถ้าเราคิดอย่างนั้นน่ะมีคิดอย่างนั้นหลายคนไหมครับคิดเหมือนกันถ้าก็ยมคิดอย่างนั้นแหละถึงได้แต่งงานใช่ไหมล่ะก็ต้องสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์ก่อนไม่งั้นเรามนุษย์ก็จะสูญพันธุ์ถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นะถ้าถ้าเขายมคิดเหมือนตมาหมดถ้าทุกคนคิดเหมือนตมาเนี่ยคงไม่มีคนสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์หรอกเราก็จะสูญพันธุ์กันไปหมดนั่นนะเราต้องขอบคุณ ขอบคุณความไม่รู้ขอบคุณไอความหลงขอบคุณความอาวิชชานะเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจเนี่ยทำให้เราต้องแต่งงานมีลูกมีครอบครัวสร้างโลกนะนะอวิชชาเนี่ยมันมันเป็นตัวสร้างสร้างสังคมสร้างโลกนะเรต้องขอบคุณเขาเหมือนกันนะที่เราเกิดมาได้เนี่ยเพราะความไม่รู้นะเพราะความทุกข์ของพ่อของแม่นะ ลูกเราเกิดได้ก็เพราะความไม่รู้ของเราอันนั้ะนะเราขอบคุณความไม่รู้เหมือนกันก็มีประโยชน์เหมือนกันอย่าไปคิดว่าอาวิชาความไม่รู้จะไม่มีประโยชน์มัมีประโยชน์เหมือนกันนะมองในแง่บวกนะโ ย, ยนั่นน่ะธรรมาก็คิดอย่างนั้นแหละคิดว่าเรายังหนุ่มยังแน่นอยู่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ออกไปมันเป็นความคิดขัดแย้งกันอยู่ในใจเราเนะี่ยบังเอิญว่าอรรมาได้ปฏิบัติไงปฏิบัติแบบ หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนบอกว่าให้รู้ความคิดใช่ไหมให้ให้รู้ให้เห็นความคิดให้เข้าใจความคิดแต่เราคิดมาทีไรก็ไปหลงไปทุกทีเลยไม่เข้าใจไม่เห็นไม่รู้อืมตั้งเป้าไว้เลยว่าจะต้องรู้ความคิดให้ได้จะต้องเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องสมมตุติเรื่องปรามัติ์เรื่องเกิดดับเรื่องพ้นทุกข์ให้ได้นะก็เลยตั้ง จิตอธิษฐานว่าเอาออกพรรษาแล้วนะไปเก็บอารมสักเดือนหนึ่งสามสิบวันนะทําไม่รู้ทําไม่บรรลุธรรมเนี่ยนะถ้าไม่เข้าใจนี่นะจะไปทําอะไรก็ไปทํานะจะไปเรียนก็ไปเรียนจะรักลาศิขาไปแต่งงานก็ไปนะก็เดิมพันไว้อย่างงั้นเลยนะญาติโยมมาปฏิบัติมีได้นั้นไหมเนี่ยได้อธิษฐานอะไรไหมว่ามานี่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยนะ จ, จะไม่ยอมกลับบ้า น, นนะเนี่ยนะหลวงปู่เทียนเนี่ยท่าน เอาขนาดนั้นเลยนะหลวงพ่เทียนยอ ม, มรู้ประวัติท่านไหมท่านทะเลาะกับภรรยาเรื่องทำบุญกระถิ่นเนี่ยนะทำยังไงก็ไม่หายโกรธนะแค่ภรรยาทวงเอาเงินให้ค้าหมไม่เฉยนะก็ยังโกรธให้ภรรยาไม่หายนะพอมีโอกาสก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็เดินออกจากบ้านภรรยาถามว่าจะ จะไปไหนจะไปนานแค่ไหนก็ไม่บอกไม่ต้องถามหรอกนะท่านก็ไปแล้วท่านตั้งใจว่าถ้าไม่เอาชนะความโกรธไม่ได้จะไม่กลับบ้านเลยนะยอมยมตั้งใจอย่างนั้นไหมนะถ้าท่าถ้าเอาชนะความโกรธไม่ได้แล้วแต่ละคนมันมีอะไรแรงเหมือนกันนะบางคนก็โทสะจริตใช่ไหมบางคนก็หลงโมหจริตบางคนก็ โลภะลาคะจริตพวกเนี้ยแต่และจริตแต่และคนไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ใครจะจะมีอะไรมากน้อยกว่ากันนะมันต้องอธิษฐานญาติโยมอา ต, ตมาก็อธิษฐานเนะเถ้าไม่รู้ก็จะไม่เลิกทําภายในสามสิบวันนะในเดือนหนึ่งนะเพราะแรงอธิษฐานนะญาติโยมถึงได้ถึงได้เข้าใจทําไมอธิษฐานในเสร็จเลยเลิกทำตั้งแต่อาทิตย์แรกนะ นะพอมันนับทุกวันโอ้ปฏิบัติทำเดินจงกรมทั้งวันมันไม่ได้คุยได้คุยกับใครมันก็เบื่อเซ็งฟงซ่านลำคาญยมไม่ได้ขึ้นอิตมาหรอกยมปฏิบัติเนี่ยยมบ อ, อกยมฟุงซ่านคิดมากง่วงมากโนอิฐมาต้องต้องต้องเอาเอาถังน้ํานะกับผ้าคนหนูคนเล็กเอามาไว้เลยยังไม่ง่วงนั่นเนี่ยเตรียมไว้ก่อน <Okay. S 1> นะ ของ้อที่ไหลก็เอามาเช็ดหน้าเอามาโปไว้บนหัวแล้วก็เดินจงกรมมียอมเห็นเท้าไหมเนะี่ยเท้ายังไม่หายดีนะเนี่นะนะ่ะต้องเอาผ้าแต่ว่าตอนนี้หายดีแล้วพูดถึงว่าตอนนั้นตอนนั้นมันยังไม่ค่อยหายดีมันแผลเย็บมันยังไม่ค่อยติดกันดีต้องเอาผ้าอแบบนี้เอออันผ้า น, นี่นหละพันไว้นะมันก็ยังเลือดไหลซิบซิบซิบซิบอยู่นะ ลองคิดดูดิมันมันทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนะเดินปวดขาก็ปวดง่วงก็ง่วงคิดก็คิดนะสลับไปสลับมาอย่างนั้นนะอยากก็อยากอยากแต่รู้อยากบรรลุธรรมอยากเข้าใจอยากเห็นความคิดนะแต่ว่ามันไม่เห็นหนะมีแต่คิดไปกับความคิดฟุ้งซ่านไปทั้งวันนะสนุกนะโยม สนุกอยู่ปฏิบัติทำเนี่ยมันมันทุกดี น, นะนะคือคือเราเราเป็นคนไหนมองโลกในแง่ดีอ่ะเออแต่มันมันจะต้องรู้สักวันละ่ะไม่รู้วันนี้แล้วมันมันต่อไปอาจจะรู้ น, นะก็ให้กําลังใจตัวเองก็ทําไปเรื่อยๆทําไม่หยุดนะต่อเนื่องตั้งแต่ตีสามถึงสามทุ่มถ้าไม่ถึงสามทุ่มก็ไม่เข้านอนนาฬิกาปูุกก็ไม่มีนะนอนสามทุ่มก็ตีสามก็ตื่นนะเพราะว่าเขา ตีละครังผูกทุกวันเตือนว่าที่สามว่าล้างหน้าปแปรงฟันไปเดินโยกกลมต่อทําอยู่งั้นนะไยแล้วก็มีอาจารย์มาสอบบัมทุกวันนะบองทีก็วันละสองครั้งสามครั้งนั่นแหละคืออยากให้เราเข้าใจนะอยากให้เราบรรลุอยากให้เราเข้าใจรูปนามใบไวน์นะนะท่านก็อยากท่านก็นลุ้นเหมือนกันนะเพราะวันไหนเราจะเข้าใจนะก็ผ่านไปนานเหมือนกันนะ ผ่านไปดีสิบห้าวันนะโอ้ยี่สิบห้าวันนี้ก็เกือบเดือนแลนะ้วเนาะมันมันก็เกิดอาการเบื่อหน่ายทีเนี้ยเบื่อหน่ายไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากเข้าใจไม่อยากทำํำละพอทําทมาเยอะแล้วมันก็เลย ขนาดทำมาตั้งยี่สิบห้าวันยังไม่เข้าใจเลยอีกห้าวันนคงจะไม่เข้าใจแล้วคงจะหมดโอกาสนะคงจะหมดโอกาสที่จะได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจนะใจมันก็เลยปล่อยวางนะมันมันก็วางของมันเองนะเราก็ไม่ได้นั่นเราก็คือมันคิดมากทุกมากจนไม่รู้จะยังไงอนะมันก็เลยวางความอยากมันนะแต่โชคดีมันมีเวลาเหลือแค่นั้นเองนะ ถ้าไม่มีเวลาเหลือเสร็จเลยยู่เวลาเหลืออยู่ห้าวันเออก็เลยทำแบบไปรอเวลาให้มันครบกาหนดเฉยๆนะคือทำเหมือนเดิมมันแหละแต่ว่ามันไม่มีความอยากไม่ไม่มีความต้องการที่จะได้บรรลุอะไรนะแล้วมันก็คิดเขามีความคิดเหลืออยู่นะคิดถึงเรื่องอนาคตอะไรเนี่ย อ, อ่อ กลับไปนี่จะต้องไปบอกโยมแล้วเวลาโยมแล้วไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วคิดคิดเรื่องว่าจะ<อ>จะจะไปยังไงครบกำหนดแล้วนะก็ปรุงแต่งก็ยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่ว่าออไปถ้าศึกออกไปก็ต้องไปทำงานต้องไปแต่งงานมีลูกมีครอบมีครัวมาอยู่ทั้งโลกต่อไปอนะก็ได้แค่คิดนั่นแหละ นะทีนี้มันมันทำด้วยความเฉยๆอ่ะทาไม่แย่ไม่ได้ทำด้วยความอยากนะมันเดินก็เดินเฉยๆยกมือก็ยกเฉยๆหนะลังจากที่มันปล่อยวางเนี่ยนะทานโยม <c oughs> ตั้งแต่ฉัน ข, ข้าวเช้าเสร็จเก้าโมงเช้าเนาะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะ ประมาณสองสามชั่วโมงนี่แหละนะวันนั้นก็แปลกอยู่มันไม่ง่วงเนาะพอมันผ่านความง่วงมันผ่านอะไรมาหลายวันสนมากจะความคิดมากกว่านะพอมันหลายวันแนละ้วยี่สบกว่าวันแนละ้วเนี่ยก็เดินเล่นๆ เ, เดินไม่เอาอะไรอนะช่างหัวมันรูน้ไม่รู้ก็ช่างหัวมันนะเคยเห็นไหมช่างหัวมัน ช่างหัวมันรไม่รู้ก็ช่างหัวมันเดินเล่นๆไปอย่างนั้นแหละเดินแบบไม่เอาอะไรนาะแต่ว่ามันเอามาเยอะแล้วไงมันยากมาเยอะแล้วก็เลยแบบก็ไม่รู้จะอยากไปทำไมแล้วเดินเล่นๆไปสักพักนะมันก็เลยเกิดการตื่นตัวขึ้นมาทีนะมันเกิดการรู้รู้เองนะ คือปกติเนี่ยมันไม่รู้เองนะมันต้องตั้งใจถึงจะรู้นะใช่ไหมเรายกมือน่ะเดินจงกรมอะงต้องกําหนดถึงจะรู้ต้องตั้งใจอณะตั้งใจมันยังไม่อยากมันยังไม่อยากรู้เลยนะทีนี้มันมันมันเกิดการรู้โดยที่เราไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจบางคนอาจจะเคยเป็นนะนะอถ้าคนทำมานานจะเป็นบางทีเราก็เคลื่อนไหว ขยับตัวมันมันรู้รู้สึกรู้สึกเองนะถ้าเราทำไปนานๆมันจะเป็นนะรู้สึกเองแล้วก็มันจะเร็วทีเนี้ยมันจะรู้สึกมันจะไวนะกระพริบตาก็รู้นะยื่นเฉยเฉยก็รู้มันมันรู้แบบรู้แบบตื่นตัวนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรู้มันเป็นอาการของการเข้าใจสภาวะธรรม เข้าใจรูปน้ำมันจะเห็นมันจะแยกส่วนออกเลยเรียกว่ากายส่วนหนึ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งนะตอนนั้นสมองไม่มีเรื่องอะไรโล่งโปร่งบาสบายนะมันรู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนนะเมื่อถึงวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งญาติโยมที่นี่จะจะเป็นทุกคนแต่ว่ามันมันจะวันไหนแค่นั้นแหละบางคนก็ใช้เวลานานนะบางคนก็ช้านะมันขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของ ที่เราทำเนี่ยแล้วก็ทําแบบวางใจแบบเฉยๆแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความปรารถนาจ ะ, จะอยากอยากมีอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรแบบเฉยๆแต่ว่ามีแต่การกระทําเฉยๆนะมีแต่การกระทำนะยกมือโดนจงกรมธรรมดาเนี่แหละนะนะแต่ว่ามันต้องต่อเนื่องนิดนึงคือทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วเปิดโอกาสให้ ให้ตัวรู้ให้ความรู้สึกตัวนี่มันปรากฏโดยธรรมชาติของมันเองนะไหนพอมันปรากฏอย่างนั้นน่มันทำให้เราเกิดปิติเกิดความสุขนะธรมาหยุดหยุดเดินเลยนะช่วงช่วงที่มันเป็นอ่ะหยุดไม่ดมันถึงช่วงเดินจงกรมมันธรรมะหยุดอยู่นะมันมันเกิดแต่ก็ไม่ได้เกิดปิติถึงขนาดน้ำตาไหลนะมันก็เกิดความสุขแบบ มันมันเข้าใจมันรู้ว่าถ้าถ้าเราไม่สัมผัสตัวนี้เนี่ยนะชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่รู้นะคงจะเป็นเหมือนโยมนะคงจะคงจะมีลูกหลายคนแล้วแ่านี้นะมืจะได้ถ้าถ้าไปใช้ชีวิตทางโลกนะนะคงจะมีความสุขแบบกับภรรยากับลูกทำงานหาเลี้ยงลูกจะแบบนี้นะแต่ว่าพอเข้าใจอย่างนั้นปุ๊บมันก็เลยตัด วงจรชีวิตเลยนะตัดความรู้สึกปรารถนาที่อยาไปใช้ชีวิตแบบชาวบ้านเลยนะมันมันรู้ได้ว่าจะต้องเดินไปยังไงเลยเนะื้อรู้จะต้องคือจะจะไม่สงสัยในเรื่องการบวชแล้วไม่คิดว่าเราจะอยู่ยังไงเนะี่ยมันมันจะรู้เลยว่าเราจะวางตัวเราจะไปทําอะไรนะคือแค่รู้สึกตัวเนี่ยนะมันมันมันจะรู้ มันจสสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองเลยนะเราเราจะรู้ได้ตัวของเราเองว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปเนี่ยเพราะนั้นอาตมาเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยกนะี่ปีแล้วเนี่ย10กี่ปีละ4 3 17ปีเนะี่ยยังไม่นานเท่าไหร่นะ้อ17ปีนะก็เปลี่ยนชีวิตใหม่นะ แต่ว่าเราไปเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องมากระทบจิตใจเรามายุ่ยยวนเรามาสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่หลุดนะฮะทุกคคือคือมันอาตมามันมันมีความทุกข์มากพอพอเข้าใจปุ๊บมันความทุกข์มันหลุดออกไปเยอะไงไม่ใช่อยู่ิ้คือคื อ, คอเรา เราเรามีความคิดมากความทุกมากตั้งแต่อายุยังน้อยใช่นะหมพอมาปฏิบัติเข้าใจมันมันมันหลุดไปเยอะอนนะมันเบอไปเยอะทีนี้ฟอร์อมีอะไรมาจะทำให้เราเป็นภาระมากระทบมาทดสอบเราเนี่ยมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของความทุกข์ที่เราเคยเป็นมานะมันมันมันก็เลยเฉย ที่ที่อยู่ได้เพราะว่ามันนี่แหละที่ที่อยู่เป็นพระได้ไม่ได้อยู่ก็ได้เพราะว่ า, านะ่ะมียศมีตำแหน่งมีความรู้มีความสามารถหรือว่ามีอะไรเหมือนพระที่เราเคยไปกราบไปไหว้ไปทำบุญแล้วนะญนะาติโยมต่มาอยู่ได้เพราะว่าความรู้สึกตัวนะเม่ได้อยู่ได้เพราะว่ า, เ, าเพราะว่ามีได้มีตำแหน่งอะไรมี ในเยื่องย่างนัตมาครไม่คิดที่จ ะ, ะไปเรียนเป็นมโหงมหาเป็นอ ะ, อะไรหรอกนะนะก็มีคนแนะนำอยู่ตอนนั้นก็อายุไม่มากก็ว่าไปเรียนไวเพื่อเขาจะได้ให้เป็นพระครูเจ้าคุณบ้างอาตมาก็ไม่ได้ปรารถนาแบบนั้นนะก็เลยอยู่แบบนี่แหละอยู่พายมปฏิบัตินะไปต่างประเทศนะ สิปีกลับมาก็เหมือนเดิมอยนะโยมญาติพวกพระเอ้าไปอยู่ต่างประเทศทําไมกลับมาเหมือนเดิมอยู่ะคือมันก็เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าเราคนเดิมใช่ไหมคนเก่าอืคือคือมันไม่ได้มันไม่ได้แตกต่างนะแม่จียุหิคนความรู้สึกเราไม่ได้แตกต่างแต่ว่าภูมิประเทศสภาวะอากาศผู้คนมันอาจจะแตกต่างใช่ไหมอย่างญาติโยมเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ว่าความรู้สึกเราที่มีต่อต่อสภาวะต่อสิ่งแวดล้อมมันมันเหมือนกันนะความรู้สึกของเรานะที่มีต่อต่อสิ่งที่เข้ามากระทบอนะ่ะสิ่งที่เห็นทางตางหูจมูกลิ้นกายนะจะอยู่ซีกไหนของโลกประเทศไหนของโลกเนะี่ยมันมันเหมือนกันมันก็มีดินน้ำลมไฟมีอาหารการกินเหมือนกันแหละนะมีที่อยู่อาศัยมีคู่มีคนมีสังคมมีทุกข์เหมือนกันพวกอื่น ฝรัง่งก็มือทุกเหมือนกันทุกมากกว่าเราด้วยนะคือคือคือเราไม่ไปไม่ไปอยู่กับเขาอ่ะเรามีที่อยูนะ่เรามีความรู้สึกตัวเรามีสติเรามีปัญญาไปอยู่ไหนมันก็มันก็เหมือนเดิมนะเราไม่คิดว่ามันจเจริญกว่าประเทศเราหรอกอืออเมริกามันไม่ได้ดีกว่าเมืองไทยหรอกนะนไม่คิด อ, อ, อ, อ, อ, อัตมาไม่ได้ว่า มันวิเศษวิโสอะไรหรอกเราไปก็ไปแค่ไปทําหน้าที่ให้เปิดโอกาสให้เขาได้รู้จักวิธีปฏิบัติก็มีฝรั่งว่าปฏิบัติบ้บางคนไทยคนลาบ้างะก็ไปช่วยเผยแพร่แต่ว่าเขาไม่มีเวลาเยอะเหมือนเร า, าเรามีเวลาเยอะแต่ว่าไม่ค่อยทําไม่ค่อยปฏิบัติต่ตอเนื่องนน่ะ เขาเขามีเวลาน้อยแต่เขาทําต่อเนื่องช่วงที่เขามานะเนอะเขาไม่ค่อยคุยไม่ค่อยคุกนคลีคกันเท่าไหร่แต่ว่าทําแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเขามีตารางเวลาปฏิบัตินั้นแล้วก็อยากให้ญาติโยมเนี่ยวางใจให้เป็นนะอย่างที่อาตมาสอบอารมช่วงเย็นนั่นแหละวางใจทําไงเราถึงจะถึงจะทําใจเฉยๆต่อสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งที่เรา สัมพันธ์อยู่เนี่ยนะกับคนรอบข้างนะกับสังคมที่เราอยู่เนี่ยไม่ให้สังคมเป็นดึงเราออกไปจากการปฏิบัติจากสติจากความรู้สึกตัวไม่ใช่ว่ากลับไปบ้านแล้วก็ไปเข้าสังคมแล้วลืมเลยเจอเพื่อนอชวนไปงานเลี้ยงงานอะไรมันมีบุญมีงานมีซองใน <c oughs> นั้น่อวนะที่บ้านสังคมไทยเนาะ แล้วก็งานแต่งแล้วก็งานบวชแล้วก็งานนั่นแล้วก็งานนี่แล้วก็งานชาวนากิจแล้วก็ตายแล้วก็สวดแล้วก็นั่นอยู่นั่นแหละนะกะถินพระปาแต่ละปีเนี่ยโอ้คือคือสังคมมันไม่ใช่เมืองพุทธที่แท้จริงอ่ะบ้านเรามันเป็นอะไรมันไม่ใช่พุทธแท้นะบ้านเราเราเราอย่าคิดว่าเราเป็นชาวพุทธนะเราเป็นชาวคิดชาวพรามนะใเราเนี่ยไม่ใช่ชาวพุทธแท้หรอก คือพุทธแท้มันต้องมีสติมีปัญญารู้อะไรเป็นอะไรนะไม่ใช่ทำตามทาตามเขาไปเฉยๆนะส่วนมากเราก็จะ<ม>เขาพาทำอะไรก็ทำนะพ่อแม่ปูญญาา่ย่าตายายตายายพาทำก็ทำไปงั้นแหละประเพณีพุทธประเพณีใช่ไหมทำบุญแต่ละเดือนแต่ละศีลแต่ล ะ, ะช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาเนี่ย เราก็ทำตามประเพณีไปเฉยโดยไม่ที่ไม่รู้ว่าแก่นแท้เนื้อหาสาระนะมันก็เลยมีทุกข์มีปัญหาบ้านเราไม่อยากจะวิจารณ์เนาะบ้านเราเราก็เห็นกันอยู่มันเป็นยังไงปัญหาอาชยากรรมปัญหายาบ้าปญหายาเสพติดนะเราอาตมายอมแพ้เลยไม่ไม่ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ไหวหรอกเพราะคนคนไม่รู้มันเยอะนะ แต่มาจึงไม่ค่อยได้อยู่ในสังคมในอยู่กับที่เท่าไหร่มาเมืองไทยนะ่ยไม่ค่อยได้อยู่เขาก็อยากอยู่ประจำแหละนะว่าอยู่เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้อ่ะไปเฝ้าวัดให้เขาเฉยก็ไม่รู้จะไม่มไม่มีประโยชน์เนาะก็ะเลยเออถ้ามาอยู่กับพวกโยมพวกปฏิบัติเนี่ยพออยู่ได้อยู่ถ้าไปอยู่กับชาวบ้านเนี้ยเนี้ยจะให้เราไปสวด น, นั่นสวดนี่ไปทํานั่นทํำนี่อ่นะนะ หาาแต่เรื่องพิธีกรรมพิธีรีตองให้เรานะมันไม่ใช่หน้าที่ของพระนั่นนะหน้าที่ของพรามนั้นแล้วก็ถ้าถ้าถ้านักถ้าอยู่กับพวกโยมเนี่ยจามาอยู่ได้เพราะพวกโยมเข้าใจนะคือไม่ต้องมีพิธีอะไรกันมากหรอกเนาะถึงเวลากินกินถึงเวลานอนก็วัาปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเลยนะไม่ต้องมา ให้สินให้พรวันนี้มาเรามาไม่ได้รับสินเลยนช่ไหมแล้วก็เอาสินปฏิบัติไปเลยนะบางคนมาบางคนไม่ได้รับสินก็ปฏิบัติไม่ได้บางคนแต่พวกเราก็ไม่เป็นอะไรหรอกแล้วก็ปฏิบัติให้จิตใจปกติมันก็มีศินละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจสังคมสภาพแวดล้อมของเราต้องปีกตัวเอาญาติโยม ไม่ใช่จะไหลไปตามกระแสสังคมโลกสังคมเมืองเนะทําไมเราถึงจะเป็นตัวของตัวเองอเวลากลับไปบ้านทําไมถึงเราถึงจะไม่ถึงไม่โดนดูดเข้าไปทําไมเราถึงจะไม่ลืมตัวกลับไปบ้านเราฮะข้าห้องล็อกประตูข้าห้องล็อกประตูคือคือคือเราต้องออมีที่ปฏิบัติของเราที่บ้านนะ บางคนก็ทําอยู่ถ้าคนมาปฏิบัติแล้วเห็นความสําคัญเรื่องนี้นะทําที่ปฏิบัติทําห้องปฏิบัติทําที่จงกรมทํามีไร่มีสวนมีนาก็อยู่ตามเหมือนเหมือนที่โยมปิชาทำํำนะอทําแบบเนี้ยอยู่ทําที่ปฏิบัติวันนี้ก็ชวนเพื่อนมาปฏิบัติเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยนะมันต้องทําแบบนั้นคือเราต้องสร้างสังคมส่วนตัวของเราเลยมันมันได้อยู่ ได้อยู่แต่มันมันไม่เต็มร้อยหรอกปฏิบัติกับการทํางานอนะ่ะมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเต็มร้อยเหมือนเหมือนที่เราทําในคอร์สในรูปแบบ <ใน S 2> อ, อ๋อในในชีวิตประจำ ว, จะจวันอ๋อสามารถจะรู้สึกตัวได้ตลอดได้น้องใจงที่จะปฏิบัติยางนๆนี้แล้จริงๆอืเราก็ต้องเห็นาะว่าชีวิตทางโลกไม่ง่ายเนชีวิตที่วันเราจะทําต่อเนื่องในบ้านได้น่ะมันต้อง มันต้องรู้สึกตัวจริงๆนะนะต้องรู้สึกตัวต้องต้องจับความรู้สึกตัวให้ได้จริงๆที่เรามาเข้าค้อนเนี่ยเรามาหาแค่ตัวเดียวนะทําไงถึงจะรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยแหละถ้าได้สัมผัสตัวนี้แล้วเนี่ยกลับกลับไปบ้านเนี่ยมันไม่ต้องมีใครบอกหรอกมันก็รู้ไปเรื่อยๆงมันเองนะจานั้นภายในเจ็ดวันเนี่ยเอาเอาแค่เนี้เอาแค่รู้สึกตัวให้มันได้นะะืมการทำบาร์ก็ยังไม่ได้ว่าจะเก่งหรืออะไรรู้สึกอืม แต่เราต้องใจเราต้องแั้งมากว่าเราจะปล้มต้องมีศรัทธานั่นะนันปลืตรงนี้ค่ะทอะรได้กิจกรรมอะไรที่เรือใช้ความคิดบ้บ้านร้านค้าร้านช่างอะไรล้วแมันได้แล้วเราก็จะได้งาุดนั่นแหละม่ใช่มเรียนจงกรืบหลู่สวายต้องสร้างศรัทธาให้กับตัวเองนะอย่าโยมคนอื่นนะถ้าทำได้มันโยมทุกคนก็ดี ถ้าทําไม่ได้ก็กลับมาหาหลวงพ่อมาวัดนะก็ต้องต้องทำอย่างนั้นแหละนะมันมันไม่มีทางเลือกนะอย่าอย่าเห็นเรื่องอื่นสําคัญกว่าเรื่องนี้นะญาติโยมเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยเห็นไหมมีประสบการณ์เรื่องความทุกข์เรื่องชีวิตทางโลกมาเยอะแล้วอาตมาคงไม่ต้องไปบอกโยมแล้วมันมันเป็นยังไงชีวิตทางโลกนั่นนะ มันก็มีความสุขความทุกข์ปะปนกันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าเราจะทำยังไงต้งจะใช้ประโยชน์จากนะจากสิ่งแวดล้อมจากคนรอบข้างจากความทุกข์ให้มันเป็นแรงผลักดันนะญาติโยมแรงผลักดันเราที่จะออกจากสิ่งเหล่านั้นถ้าเราเข้าใจถูกเห็นถูกเนี่ยมันมันมันจะพยายามที่จะออกอยู่ ออกจากสิ่งที่เราผูกพันอยู่นะถ้าเราคิดว่าชีวิตทางโลกเนี่ยมันเป็นทุกข์ใช่ไหมมันไม่ใช่สุขจริงๆเนี่ยเราก็จะพยายามหาทางออกเราจะไม่พยายามที่จะติดจะเสพนะเหมือนเดิมพอเราเสพเราติดมานานแล้วทีเนี้ยเราเห็นโทษเห็นภัยของมันแล้วเราก็จะพยายามหาทางออกทางละทางปล่อยทางวาง สามีภรรยาก็จตเถ้าใครมาด้วยกันเนี่ยจะช่วยกันช่วยกันปฏิบัติเป็นเพื่อนกันแทนที่จะอยู่เป็นเพื่อนสามีภรรยาเฉยๆมาปฏิบัติด้วยกันเนี่ยมันจะช่วยกันจูงมือกันไปมไปผลไปนิพพานได้สำคัญนะคนใกล้ตัวเนี่ยนะคนใกล้ตัวสาคัญถ้าเข้าใจกันมันก็จะสนับสนุนกัน ไม่ใช่ว่ามาคนเดียวคนหนึ่งไม่เอาด้วยนะก็ลำบากอยู่ต้องดึงมาด้วยกันนะะต้องให้ให้เห็นให้เห็นพร้องต้องกันไม่ใช่ว่าคนนึงปฏิบัติคนหนึงไม่ปฏิบัติว่าไม่ปฏิบัติแล้วจะยุ่งเหมือนกันนะถ้าถ้ามาด้วยกันก็ดีนะเข้าใจไหมนะเข้าใจนั่งรับลนะจ <c oughs> า, า, ามปัาษาเองภามเปี๊ยง ไม่เข้าใจหรอก <มา S 1> คือเราเราเรียนอยู่ไงเราเรียนนั่นเรียนนี่เรียนนักธรรมบ้างไปเรียนทางโลกบ้างไงนะก็ปฏิบัติตลอดเออสาม ป, มสามปมีสามปีไม่รู้เลยนะโยมคือคือมันไม่ต่อเนื่องมันเหมือนกับโยมมันแหละนะอาตมาไม่ที่ทำจริงๆแล้วเข้าใจไวเนี่ยเพราะว่าเราเรา ใช่เก็บอารมณ์คือมันก็จะช่วยระดับหนึ่งเพราะว่ามันช่วยในความต่อเนื่องที่ที่ตะมาไม่ไม่รู้จะพูดกับใครอยู่คนเดียวเนาะคือเข้มจริงๆนะเข้มจริงๆไม่เหมือนกับเข้าค่ายไม่เหมือนกับเข้าคอสนะะเข้าคอสนะี่ได้เจอได้คุยได้ทํานั่นทำนี่นนออคื อ, ค, อคือปลีกตัวคนเดียวเลย คนเดียวเลยนะเข้าค่ายยังยังยังได้กับหมู่คณะบ้างไปเข้าค่ายไปเก็บบรมโมนะฮะเก็บบรมมีหลายแบบเนาะนนก็กือคนเดียวเนี่มันมันเข้มข้นแล้วมันก็เห็นตัวเองชัดกว่านะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะหาน้อยมากที่จะที่จะมีพระไปทําอย่างนั้นที่จะมีโยมไปทําแบบเดียวๆนะนะอืเก็บบรมเดียว เก็ บ, บรมเดียว <c oughs> แบบเข้มข้นเดียวเลย <c oughs> หลังจากนั้นช่วงเข้าพรรษาก็ได้เก็บเก็บต่อช่วงเข้าพรรษาทีละเจ็ดวันสิบห้าวันถัดเปลี่ยนกันเก็บบัมเข้มเลนะช่วงในพรรษาเข้าเปลี่ยนกันเข้าเก็บบัมทีละลูกสองลูกคือไม่ต้องมายุ่งมาสวดมนต์ทำวัดไม่ต้องไปบิณฑบาตไม่ต้องไปทําอะไรปฏิบัติอยู่นั่นแหละ <c oughs> ใช่หลวงพ่อก็ไปสอบบรม ป, ป่าอยู่พระแสงเทีย น, นมันหลายสำนักกว่าจะได้ <c oughs> มันหลายสำนักนอาตมาก็อาตมาก็อยู่แบบอยู่แบบอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยแหละสมมาก <c oughs> เก็บพรมเข้มหลายปีไม่ค่อยอยากจะมาออกข้างนอกหรอกเพราะว่า คือคือมันมันมันติดนัญาติโยมติดติดปฏิบัติอ่ะปฏิบัติแล้วมันเห็นผลแล้วมันก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับชาวบ้านไมยุ่งกับคนอื่นมันก็จะติดอยู่กับไปสิ่งที่เราทํานี่แหละมันรักในสิ่งที่ทําำคือเห็นเรื่องอื่นไร้าสาระหมดน่ะนะที่จริงมันมีสาระอยู่พูดถึงเรื่องสังคมอันนะเรื่องอื่นเฟื่อยญาติโยมเรื่องเรื่อ ง, ออ ง, <c oughs> องคีดในมลเรื่องอื่นนะ่ะนะ มันก็มีสาระมีสําคัญประเพณีบุญทําบุญต่างๆก็ <c oughs> <c oughs> สําคัญ <c oughs> สําคัญอยู่แต่ว่าเออเรื่องเรื่องนี้อ่ะสําคัญกว่าไงตอนนั้นนะนะแต่มันก็เป็นไม่นานหรอกนะเป็นสักพักพอเราเข้าใจจนถึงระดับอารมณ์ปรมัดแล้วมันก็อยู่ตัวแล้วนะอยู่ตัวแล้วอยู่กับเพื่อนก็ได้อยู่กับสังคมก็ได้อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ คือมันมัน <c oughs> มันเป็นอัตโนมัติมันมันดูจิตดูใจได้แล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่คนเดียวแล้วนะคือทำงานได้ช่วยเหลือสังคมได้ไปทำอะไรก็ได้นะไปต่างประเทศก็ได้ไม่มีปัญหาไปไปทั่วโลกได้นะกลับมาก็คือช่วยได้ทุกคนช่วยได้ทุกสังคมคือเราทำงานแบบเอาตัวรอดได้แล้วนะ คือไม่ <c oughs> เข้าใจความคิดเข้าใจความรู้สึกเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองกิเลสตั้งหาราคาที่มันเกิดไปในใจแล้วก็สามารถเข้าใจระงับปล่อยวางได้ค็คือมันมันมันไม่เป็นไม่มีอะไรเป็นอุปสรระนะคก็กลับไป ไ, ไ, บไ ป, ไปม า, มาอย่างนี้แหละ ไปไปมามาไม่ได้อยู่ยาวหรอกถ้ามีตุลาก็กลับมาเมืองไทยไปเรื่อยๆไปหลวงพ่อเนี่ยไปกับหลวงพอ่อไปช่วยงานหลวงพอ่อไปอเมริกาบ้างยุโรปบ้างไปตรงไหนที่เขามีงานปฏิบัติก็ไปอย่าให้ญาติโยมไปเหมือนกันนะ <c oughs> ถ้ามีโอกาสนะ <c oughs> มีคำถามอะไรอีกไหมถามได้นะถามเรื่องอะไรปฏิบัตินนะ <c oughs> คนใหม่เป็นยังไงคนใหม่ คนใหม่ฟังรู้เรื่องไหมไหนฟังอาตมาพูดนะอาตมาพูดเรื่องไอ้ขุดที่เรื่องเราที่เราไม่ไม่เคยรู้มาก่อนนะนะบางทีเราก็คิดตามไม่ทันคิดตามไม่ถึงคนที่ยังไม่ไม่รู้ไม่รู้สึกตัวนะจะจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ถ้าไม่มีคําถามแล้วก็ทําทําไปเรื่อยๆ ให้กำลังใจตัวเองนะญาโยมสุดท้ายเราก็ต้องตายนึกถึงความตายบ่อยๆเนาะเราจะควรขวายอะไรมากมายนักหนาห ม, มันเงินเยอะแล้วนี่สินไม่ต้องไปสร้างอีกนะญาโยมนี่สินมันเยอะแล้วล่ะคือคือไม่ต้องไปเพิ่มนี่นะเอาเอาแค่สร้างแค่นี้ก็พอแล้วนะออกไปนี้ก็พยายามลดลด อะไรที่มันเกินจําเป็นนะเนะไอมีใครส่งงวดลดงวดบ้านงวดอะไรงวดหวยงวดแชร์อะไรมีไหมเนะีนะ่ยคือตัดตัดตั ด, ต, ด, ต, ดตัดออกไปบ้างนะที่มันเกินจําเป็นนะนะอดูสํารวจตัวเอง <c oughs> สํารวจตัวเองว่าที่เราใช้ผูกพันอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยอะไรที่มันเกินนะที่มันเกินจําเป็นอนะ เสื้อผ้าถ้ามันเยอะก็เอาไปบริจาคบ้างเอาไปให้คนอื่นบ้างของใช้โทรศัพท์ถ้ามีหลายเครื่องก็เอาไปให้คนอื่นบ้างนั่นนะบางคนโทรศัพท์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มีอะไรหลายอย่างคนรุ่นใหม่เนาะบางคนมีเฟสสองอันสามอันมีไลน 3, ์สามเครื่องสีเครื่องบางคนนะอะไรจะใช้เยอะขนาดนั้นนะอันเดียวก็พอแล้วนะเครื่องเดียวอันเดียว โทรัพเบอร์เดียวก็พอแล้วื <c oughs> ันรยาคนเดียวก็พอนะไม่ต้องหลายคนปวดหัวอย่านะ้ก็ลูกก็เหมือนกันไม่ต้องมีหลายคนสำหรับคนที่ยังคนที่มียังไม่มีลู ก, ก น, นะไม่ต้องมีลูกเลยก็ดีฮนะลกูลกมัน <c oughs> มันเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยมันเจ็ดพันกว่าล้านคนแล้วเนี่มันะไม่มีที่อยู่มันแยกที่อยู่กัน น, นะนะฉะนั้นก็พยายามนะญาโยมอาตมาก็พูดให้ฟังเป็นกําลังใจญาโยมอย่าท้อถอยนะล้วก็ไม่ไม่นั้นเราไม่หมดโอกาสจะมีโอกาสอยู่อย่าคิดว่าเราอายุมากแล้วเราแก่แล้วเราจะต้องแก่ไปคว่นี้อีกนะโยมโยมอยม่าคิดว่าโยมแก่แล้วนะตอนนี้ยมอายุ 6 7ิบเ็ดสียมเนี่ยยมยังต้องแก่ไปกว่านี้อีกนะะมันไม่แล้วหรอมันต้องแก่ไปเรื่อยๆนนจนตายนั่นแหละนะแล้วพยายามตัดออกนะปล่วางต้องแกล้งตัวเองบ้างนะแกล้งมันมันชอบทำอะไรอะ่ะมันชอบสนุกสนานชอบเฮฮาชอบสังคมปาร์ตี้ไม่ไปแนะ่นะ คือมันติดมันยึดอะไรเนะ่ยก็อืดัดนิสัยตัวเองบ้างก่อนที่จะตามมาจะบวชเนะี่ยโอ้คือเพื่อนชวนไปกินเหล้าชวนไปเที่ยวไม่ไม่ไปหรอกกลับบ้านอเรื่องงานกลับบ้านเรื่องงานกลับบ้านทําอยู่ปีหนึ่งนะอจนไอ้แฟนคนอยู่ด้วยนะภรรยาโอ้ยไปบวชเถอะไป <c oughs> <c oughs> คือคือ คือเขาก็ปล่อยเขาไม่รู้เราไม่มีเพื่อนมีสังคมอะ่ะคนดีนี่สังคมเขาไม่ต้องการนะคนคนที่ไม่กินแล้าไม่เล่ น, ไ ม, ลนไม่เที่ยวไม่คลุกคลีกับใครเนี่ยเขาไม่เอาหรอกอไปไปดีจะไปอยู่ไหนก็ไปนะถ้าเราอยากเป็นในอิสระนะเราต้องทําอย่างนั้นนะไม่ต้องไปยุ่งสุงซิว ใ, ใครแล้วตัวคนเดียวนะั้นโรคนี้มีเราคนเดียวเองนะรับรองเลยเล ย, เลยอิสระแน่นอนนะแต่มวัวแต่ อ, อันนั้นก็งานแต่งก็จะไปงานบวชก็จะไปงานนั่นก็จะไปถทำไมมีเราเขาก็ไม่เป็นงานเนี่ยเสร็จเลยแล้วเราก็้ไปทุกงานเลยก็เลยไม่เป็นอิสระก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะนั้นก็ลองเอาไปใช้ดูนะกลับไปบ้านแม่บ้านจะถามไปปฏิบัติมาเจดวันทำไมเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะต้องเปลี่ยนนะยาดวมนะ <c oughs> ต้องเปลี่ยน นะตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าเราจะเป็นคนใหม่นะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะหลวงพ่อเตียนบอกว่ามาเจริญสติมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะหัดกินหัดเดินหัดนั่งหัดพูดหัดคุยหัดทำใหม่หมดนะเนี่ยนะแต่ว่าแต่มาหลวงพ่อยังไม่ได้สอนละเอียดนะ่ะนะ สอนวิธียืนวิธีนั่งวิธีลกุกวิธีกราบวิธีกินข้าววิธีล้างจานวิธีมันมีมันมีนั่นของมันอยู่ น, นะไม่ใช่ว่าอะไรทำไปเฉยๆนะเนี่ยกินข้าวก็ต้องมีวิธีกินกินยังไงให้มันสินสติเนีย่ยล้างจานเก็บช้อนเก็บอะไรนั่นมันมันเป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรรมปหมดแล้วแหละแต่ว่าเรามันยังหยาบ ถ้าเราเกี่ยวของละเอียดไปให้คนหยับๆมันก็ทำไม่ได้นะเราต้องฝึกสติให้มันหน้าขึ้นมาขึ้นแล้วมันจะละเอียดไ ป, ไปของมันเองเนาะเราจะรู้เราจะค่อยทำค่อยรู้สึกไปเรื่อยๆนะจะดีขึ้นทุกวันคนปฏิบัติทำนะนั่นก็คงจะสมควรแค่เวลาเนาะเราก็เหนื่อยมางคนก็ยังไม่ได้อาบน้ำํำจะได้ไปอาบน้ําพักผ่อนนะ